ก็ที่สี่สแล้วครับอะไรนะอะไรว่างะสกจวัคโคจะุดหัวชื่อว่าโพชนาวัสกจะสกจะวัคโคจะุดหววาที่สี่แล้วใช่ครับนวสามว่าจดี๋ก่อนจะขึ้นวัคใหม่นะขอมาเฉลยปัญหาหน่อยครับที่เคยถามคนนานแล้วนะแล้วเมื่อวานอีอันหนึ่งที่ว่าอะไรนะ ผู้ศึุษานำความศึกษาว่าเราจะไม่คุมศีสันภายในร่าบ้านใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าในนั่นสัมอกว่ามาในการห่มคุมทั้งศีสัะนะครับอันนี้ผมเคยถามอาจารย์แล้วนะถ้าไม่ใช่การห่มแบบเอามาคุมอย่างนี้นะครับเหมือราผ้าหยุดหนึ่งมาคุมต่างหาอย่างนี้นะหรือว่าคุมเหมือนผู้อิสระผู้อิสราใช่ไหมข้าจีผ้าคุมอยุดหนึ่งใช่ไหมครับแม้อย่างนั้นนะก็ถือว่า เป็นการคุมศีรษะเข้าไปแล้วบ้างบ้านกันก็ไม่ได้ทั้งนั้นครับก็ถือว่าไม่ได้นะครับไม่ได้เอาเฉพาะที่ว่าอะไรนะผมจูอ่แล้วมาคุมหัวนี่หนึงเดือครับจ่าสันบองยิ่งมันคุมก็ไม่ได้นะครับอะไรครับก็เกิดว่าไม่ดีอยู่บ้านครับเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เฉพาะที่หมอบ้านแล้บ้างบ้างนะครับแล้วก็ที่มันจะเคยถามว่า ช่างชวนเดินทางไกลกับโจรคนเดียว <c oughs> แม้จะไม่ได้เป็นกองโจร น, นี่นาัานถมานบอว่าก็แามต้องแบบไปตีเหมือนกันนะครับเพราะท่อกว่าเอาโจรที่ได้ทําจรกรกะ ม, มาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทํานะครับที่รักของหลวงหรือว่านี้พางศีใช่ไหมครับอาวไ่เป็นเก่ง น, น ะ, ะหลายคนหรือว่าคนเดียวก็แล้วแต่นะคะนรับก็ยังต้อนี้งเวลายคนถามต่อเหมนืนี่ยัง แล้วก็นะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้หญิงนะที่เราเรียนมาจะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับและของใชอ้อื่นๆนะอย่างอื่นที่ไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่เครื่องประดับนอกจากนั้นนะครับอย่างอื่นของผู้หญิงเนะี่ยมีรองเท้าเป็นต้นนะก็จัดเป็นวัตถุอนามากเหมือนกันเพราะน้นโยมมาถอดรองเท้าไว้เกลการนี่นะเราจะไปจัดไปอะไรไม่ได้นะครับ ข้าวท่านเขใช้อยู่นครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นวัตถุอานามาสเหมือกันไม่ได้ครับครับในในงานสัมนาเนี่ยก็ถูกเรียนเรื่องนาฬิกาเพราะว่านาฬิกาเรืเล็กเนี่ยมันเป็นได้ทั้งนาฬิกาผู้ชายเป็นได้มาตั้งนานอ๋อครับครับอ๋อถ้าถ้าผู้หญิงเขาไม่ได้ใช้แล้วนะเขาสละถวายมาแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นวัตถุอานามาสครับอันนี้หมายถึงที่เขายังใช้สอนอยู่นะครับถือเป็นวัตถุอานามาส พ่อไม่แต่ผ้างผู้หญิงนะ่ะเขาสระอามาใช่ไหมเขาไม่ใช้่นะสละเอามาถวายผ้าให้มันทำเป็นจีวรอันนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าสมัยก่อนใช่ไหมเราก็มาย้อมสีใหม่ <c oughs> ให้มันสีเหมืองผ้าแล้วก็มาแยกตัดในสมบองจีวรใช้ได้นะครับมันมีหลายอย่างเช่นรองเท้ารองเท้าก็หนึ่งในองผู้หญิงก็มีอืมครับรอืมครั บ, รบนี่เอาที่เขายังใช้อยู่นะครับ อันนี้อันนี้อะไรอีกเนี่ยจะให้ฟังกันแล้วกันที่ผมถามอันที่เหลือก็ว่าให้ฟังหมดแล้วนะครับเรื่องการนับปีอธิกมาศสามปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับสามปีจะมีหนึ่งครั้งใช่ไหมปีอธิกมาศยังไม่เคยเคยพูดฟังข้าวข้างเลครับปีที่จะมีสิบสามเดือนนครับธรรมดาหนึ่งปีมีแค่สิบสองเดือนใช่ไหมแต่เดือนนั้นอ่ะเข้าน้ําเดือนแปดสองครั้งเลยครับ เดือน8ครั้งธรรมดมันก็จบแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นเดือน9แต่ยังไม่ขึ้นครับนับเดือน8ซดส้างอีกครั้งหนึงนะครับเป็นสองครั้งก็นั่งปีนั้นเดือน8ปดมีสครั้งนะมันก็จะได้13เดือนปีนั้นพิเศษนะครับซึ่ง3ปีจะมีอปีหนึ่ง1 2ึสาก็ปีหนึ่งใช่ไหมครับหนึสก็ปีหนึงนี่นะตรงนี้นะครับผมมีสงสัยเรื่องเกี่ยวกับอธิบายรายละเอียดนะอันนี้อาจารย์บอกว่าในที่ไม่มีแล้วนะครับนอกจากในสมัญต์ที่ท่านพูดไว้นะ นั่ก็พูดไว้ไม่เยอะนะครับที่เราเรียนในนั้นน่ะในเรื่องของบุคคลที่มีอายุหย่อนยีปีใช่ไหมนั่นนะครับก็แล้วก็เกียรกัเรื่องผ้านรื่ฝนก็พูดถึงนะครับนอกอยู่ในสมัตาและที่อื่นก็ไม่เห็นมันมีพูดถึงนะไม่เห็นมีพูดถึงแล้วนะครับมีแต่ของพระธรรมยุทธ์ที่เขาทําออกมานะครับเขาจะมีวิธีนับวิธีอะไของเขานะของธรรมยุทธก็ไม่ทราบว่าหลักถานมาจากที่ไหนก็นั่นไม่รูเหมือนกันนี่ผมสงสัยนะเขาเลยมาต่อให้ฟังด้วย อันที่เหืออ๋อแล้ววัน น, นั้นเนี่ยอาจจะพูดผิดนะครับเกี่ยวกับอะไรนะองค์ของวิสุทธิโยถุลโองกรรมนะครับมีศีลวิบัติเนี่ยที่ศีลมีอาจารย์วิบัติเนี่ยทายาจารย์มีทิฏฐิวิบัติเนี่ยติทิฏฐิใช่ไหมครับคําว่ามีศีลวิบั ต, นะบบติเนี่ยที่ศีลนะครับศีลวิบัติที่ทีศีลเนี่ยหมายถึงอะไรตัสงปัาติเสส คุยิสิวิบัติเนี่ยหมายในอานแบบสองกองใช่ไหมปาราชเลสังคาดิเศษใช่ครับที่จะเป็นสิลวิบัตินแต่ทนั้นหมายถึงต้องบัรนธาิเศษนะครับอันนี้นะเขาอทําทเนื้อไม่ใส่ใจไม่ไม่ทำกุญเรอย่างเงี้ยครับนะที่จะถูกลงกรรมนะครับแล้วก็มีอานเรวิบัติเนี่ยายาจางอานเรวิบัติก็คืออะไรไอานแบบกองไหนลงมาครับที่เรียกวาอานเรวิบัตมก ตั้งแต่ปาจิตตินกครับถือไหมถือไหตถอไหมถือไหอไหมถือไหมถือไหมถือไหมถไหมถอไหมถือไหมถือไหมถือไหตถือไหมถือไหมถือไหมถือหมือไ่มถืรไหมถือไหมถือไหหมาือไหมถือไุมถือไหมถือไหมถือไหมถือไรมถือไหถือไหมถืมีือไหมถอไมอไหมะือไหมถือไหมถือไหอไหมถือไหไหมมอออือห มีการต้องอานบันตตั้งแต่ถึงเริ่ใจลงมาถึงทุกกฎทุกภาษีิครับมีทิฏฐิวิบัติในอัติทิฏฐิก็เป็นไม่ฉาทิฏฐินะครับอันต่าข่ายทิฏฐินะทิฏฐิที่ถือส่วนสุดนะครับเป็นเฉทัยทิฏฐิสุตทิฏฐิคุณนะครับอย่างนี้นะและในเกี่ยวเรื่องไม่ฉาทิฏฐิใช่ั้มมันจะมีอยู่คำหนึ่งว่าโลกไม่มีที่สุดนะครับตรงนั้นเขาว่าโลกไม่มีที่สุดตัวนี้ไม่ได้หมายถึงโลกกระานะ โลกกระแทกคือโลกวงกลมนะที่มีสารโลกอาศัยอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าโลกกระทเนี่ยมันไม่มีที่สุดสิ่งใช่ไหมมันมีไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่โลกเราที่อยู่โลกเดียวนะมันมีโลกหลายใบแยะๆนะครับเพราะโลกกระแทกพวกนี้มันตั้งเนี้ยบนมันตั้งอยู่บนอากาศนะครับอากาศนี่มันก็แผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมเมื่ออากาศแผ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโลกกรานี่ก็แผ่ไปมันที่สิ้นสุดนะมันมีเรื่อยๆนะ ครับอะไรนี่ครับมีเยอะแยะนับไม่ได้ครับนําไม่ได้นะครับแต่เฉพาะโลกใบนี้นะ่ะเที่ยวพุทธเจ้าจะแสด็จบวชขึ้นนะครับเป็นมงคลจักรวาล น, นะโลกอื่นไม่มีพุทธเจ้าวบวชนะครับเยอะมากนะมากนะครับนําไม่ได้เลยอันนั้นแต่จักรวาลจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ๋อไม่ใช่อ๋ออันนี้เหมือนจักรวาลหนนะึ่งมีสีใบมีชุมเทวีใช่ไหม หลักจักรวาลนะครับอนันตานะอนันต่าไม่มีที่สุดเลยนะครับมีเรื่อยๆเยอะๆมากมายนะตอนแรกพูดถึงอากาศไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับเมื่ออากาศมีที่สิ้นสุดเนี่ยโลก็ท่านรือจักรวาลเนี่ยก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจักรวาลนึ่มก็อยู่บนอากาศใช่ไหมเมื่อเราก็ท่ามีที่สิ้นสุดนะครับหมู่สันนะซึ่งอาศัยอยู่ในโลกกท่านนะครับก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีเรื่อยๆนะนะครับที่บอกว่านะั เทวดาองค์หนึ่งใช่ไหมที่กาจะทดสอบว่าที่สุดของโลกกระท่ามันอยู่ที่ไหนนะครับไม่อยู่ตรงไหนนะที่ไปแล้วก็สุดเจอกําแพง ไ, ไป ไ, ไม่ได้เขาเขาไม่มีริ์ใช่ไหมก็เลยห่อไปไเรื่อยๆนะครับใช้ริ์ของเทวดารู่นเร็วนะเร็วกว่าจรวดอะไรเยอะอะนี้ครับไปนะครับจนตายประชาชนก็ยังไม่เห็นที่สุดของโลกกระท่านะครับมันมีแต่เรื่อยๆนะมีเรื่อยๆนะครับ ไปไกขนาดมีเลื่อนแกตายพอตายพวก็มาเกิดเป็นเทวดานี่เองนะครับแล้วเรื่องชาติได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยพระตัวเองก็ไปตามหาที่สุดของโลกวิถีใช่ไหมก็ไปอีกอ่ะไปอีกน ะ, ะ, กน ะ, ะจนตายมาชาติที่สามก็ยังไม่เจอทีส่สุดเนีมันไม่ที่สุดสักทีนะครับมีเรืองขนาดเทวดามีอายุยืนมากนะและความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนั่นก็ยังไม่เจอที่สุดว่าอยู่ตรงไหนนะครับพอมาชาติที่สามใช่ไหมยังมาเกิดเทวดานี่ แกได้เกชาติได้นะครับแกไม่ไปตามหาอย่างนั้นแล้วนะ<ช>มันมันจะดีสุดทั้ทีนะครับ<ช>ก็เลยมาฟ้าผู้รพระเจ้าผู้พระเจ้าก็แสดงทําให้ความเกียรติที่สุดของโลกทับธานั่นจ้าไม่ผิดนะครับเนี่ยก็คือการบรรลุนิพพานเป็นต้นนะขอธิบายจำไม่ก็ได้นะตอนนั้นนะ่ะที่อย่างที่สุดจบหมดกันไปนเลยใช่ไหมครัมันไม่ได้ไปถึงด้วยการหอกไปอะไรไปอย่างนั้นนะครับที่สุดของโลกนะ จะถึงได้ด้วยการบรรลุธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีต่อไปนี่นะไะครับที่สุดมันอยู่เล่อไหนครับอันนั้นต่างเพราะมันที่ที่สุดว่ามันอยู่เล่อไหนอยู่เรื่มไหนที่ไม่ครับอันนี้ฟังใหม่ทินครับฟังไม่ใช่ฟังมาจากอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับครับผมไม่ได้จําหลักฐานมานะแต่เขามีเขามีหลักฐานจริงครับที่ไปที่มานะ สี่ใบใช่ไหมครับสี่ใบนี่เนี่บ้านใหญ่ลำบากที uh, so bay, ่สุดนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่สบายสุดอุตตรประเทศใช่ไหมครับต้องไปดูในพิธีทำหรือที่ก้าอธิบายถึงอะไรโลกสี่ใบนี้ใช่ครับผมก็ดูเหมือนก็ไม่พูดหรือไยละเอียดไม่เยอะนะไม่เยอะขนาด นี่นะครับเขาลกไม่มีที่สุดตรงนี้นะหมายถึงสันวโลกและขันธโลกนะครับม่ได้หมายถึงไอโอการซาโลกอย่างงั้นนะนะครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งหมายถึงสัตโลกและขันธโลกนะครับที่ก็บอกว่าไม่มีที่สิ้นสุดหมายคว่ามันจะมีไปรเรื่อยๆ น, นะครับมีไปรเรื่อยๆ น, นะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันเป็นสัตวเป็นคนใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็จะมีไปรเรื่อยที่สิ้นสุดยั่งยืนนะครับไม่แตกไม่ดับอยงนี้นะ มันก็เท่กากับว่าเขาเป็นสัตตถิสตินั่นเองครับแต่เพียงพูดเป็นสำนวนเฉยนะว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันนีก็หมาย็นพ่วงสัตตทิสติะแหละที่เห็นว่ามีสัตว์อยู่คนเมีาตาใช่ไหมและาตาแล้วก็เที่ยมย่างยืนแบบมรรตานะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะอันนี้มีต่อไปรเรื่อยๆอันนี้แค่นี้นะที่เหลือเก็พูดไปแล้วนะ น, นี่กลับมานะ้กลับมา ใครจะรู้ก็รอนเรียนพี่ทำก็แล้วกันเรีย <c> น <oughs> พ, พี่ทาก็แล้วกันอ๋อผมรู้แล้วถ้าใครอยากจะเร้รนยนวนไหนรอบหน้าเรียนกับใครครับนี่กาจามอนเขาจามอ น, อมอนชัเยเขาไดไ้ได้รับเมื่อก่อนท่านเคยสอนมช้อนให้รับมานั่งเรียนไหมเออเนี่ยแหละนะี่อาจารย์เคยสอนเขาเคยสอนกางขาเนี่ยนะกางขาอะไรนะครับอืมออ ได้ใครอยาจะซ้ำนะครับก็ไปนิมนต์ด้กันละครันถ้าท่านสอนพิธามอะไรจบนะครับแก่แค่พูดไปนะครับไม่ใช่อาจารย์ไม่มีปัญหายแล้วครับถ้าว่าท่านว่างอะไรอ่างนี้นนะคง<อ>ต้องรองให้สอนพิธามจบนะครับถ้าใครอยาจะเรียนซ้ำนะกำหูดในบริวสิธีนะครับหน้าที่ 194... ่ง้เ้าสิ5ีข้อที่ บันพชิตพึงกระทำความสัเนียกว่าเมื่อคำข้าวยังมาไม่ถึงเราจะไม่อ้าปากรอรับ42บันพชิตพึงกระทำความสังเนียกว่าขณะกำลังฉันเราจะไม่สอด น, นิ้วมือทั้งหมดเข้าในปางนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ไม่ควรเพราะนั่งอยู่ในนิ้วทั้งหมด43 บรรพชิตคืนกระทำความสำเนียกว่าเรามีคำข้ามในปากจะไม่พูด44บสีบ่รรพชิตคืนกระทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันดวนโยน์คำข้าวเข้าปาก45่บห้ารรพชิตคืนกระทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวกัดครึ่งคำหรือแท้ทีละหน่อยทีละหน่อย ถ้าเป็นขนมแข็งแข็งหรือผลไม้ได้อยู่46ท่านหมดเลยครับพึงกระทําความสำเหนียวกว่าเราจะไม่ฉันทำประคุ้งแก้มให้ติ่ยเหมือนลิง47บรรพชิพพึงกระทําความสำเหนียวกว่าเราจะไม่ฉันสลัดมือสลัดมือเพื่อทิ้งเศษอาหารได้48 บรรพชิกพึงกระทำความสำเหียวกว่าเราจะไม่ฉันทมเมล็ดข้าวให้ร่วมตั้งใจทิ้งเศษอาหารแต่เมล็ดข้าวติดไปดยูวดไม่ปรับโทษ49บเก้รรพชิกพึงกระทำความสำเหียวกว่าเราจะไม่ฉันแลกนลิ้น50สบบรรพชิกพึงกระทำความสำเหนียวว่าเราจะไม่ฉันดังจับจัก อธิบายฝั่งข้าวข้าวชื่อว่ากับข้าววักจบนะครับที่บ้านของข้าวข้าวแล้วค่อยสิบเอ็ดบอกว่าเมื่อคำข้าวยังไม่ถึงเราจะไม่อ้าปากรอรับนะครับมือนก็ว่าอะไรนะป้อนข้ายตัวเองคือปพวกก็จะบจขี่เนที่เล่นนะแม้ขนาดฉันเนี่ยก็ทําเป็นเล่นนะครับอ่าอ้ารออ้าปากรอนานเลยนะไม่ไม่ถึงปากเลยนะครับ แต่ไมห่หนามาเพราะว่าเวลาแต่ฉันต้องปิดปากจ ะ, จะมาใกลๆ้ๆไมห่หนามาอะไรอย่างางี้ยนะครับอืบเงี้ปิดปากเอะไรพอใกล้ๆฝาแล้ว่อยเปิดอย่างเงี้ยไม่นมนมหานามานี่ขนาดนั้นนะเข้าประบาณไห น, นเขา้าประมาณไหนที่เราจะอ้าปาได้แล้วก็ใกล้ๆที่มันจะถึง น, น, นั่งนะครับอย่างเงี้ยตามปกติที่เราไม่ได้อ้ามือนก็ว่าป้อนค่าให้เด็กอย่างงั้ยนะครับว่าใกล้ถึงแล้วก็อยเงี้ยนี่ยแต่ไม่ถึงก็ว่ามันต้องปิดปาก มิดเนอะไม่ใช่เอาตามปกตเที่มันเป็นเนี่ยถือว่าใกล้ๆค่อยอ่านใช่ค่อยแล้วก็ครับต่อไปว่าขณะกำลังฉันเราจะไม่สอนนิ้วมือทั้งหมดเข้าบริบปะก็หมายถือว่านิ้วใดนิ้วหนึ่งเราก็ไม่ได้นะ มีอะไรติดฟันโอ้ยกินขนมปังติดหนลวงเลยโอ้หน้าเขียนแล้ว ก, ก็บอกได้นะครับขนาดฉันก็ไม่ทำนะเวลาไม่ทําก็หลอกบางครั้เนี่ยยังนั่งคนที่ไม่มีร้อยเพอใส่ได้อ๋อได้ได้จะมีในอนาบัต น, นะครับอนาบัต น, นะครับที่ว่าใช้มือหยิบเอาข้าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนั้นเป็นอนาบัต น, นะรับไม่เป็นไรครับเป็นนาบัตไม่เป็นไรนะครับอันนั้นใช้ได้นะทำอย่างนั้นได้ แต่ว่จะล้วงเข้าไปเลยนะครับที่มันจะมาฉันสายเขปานี่เขาไม่ได้นะครับนอกว่าอันลักษณะนั้นได้แล้วก็เวลามีอันตรายนะครับก้างนะครับตาไปปักเงืองเลยนะครับโอ้โหน่าน้าไม่ให้สังข้าวยิ่งเคี้ยวยิ่งแทงเรื่อยเ่อนะครับผมเคยโดนนะผมวห้เจ็บนะครับมันอะไรไม่ได้เไยนั่นมันเคี้ยวอาหาอะไรต่อไม่ได้นะครับยังไงมันต้องล้วงนั่นถือว่ามีอันตรายมีในอันตรายบัตรมีอันตรายได้เป็นไรนะครับ แต่ธรรมดาไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นไม่อันตรายนะไม่ด้วงนะครับไม่สอดเข้าไปและต่อไปเรามีคำข้าวในปากจะไม่พูดนะครับตรงนี้เพราะว่าคำข้าวไม่ได้เอาข้าวอ่งดีวนะบอกเอาอาหารทุกอย่างเลยแม้อยู่แม่ยาอะไรก็แล้วแต่ที่จะใส่เข้าปากได้นะทุกอย่างเลยขนาดกําลังฉันไมีอาหารในปากก็จะไม่พูดนอกจากว่าถ้ามีอาหารในปากครับ มันสามารถพูดได้โดยที่ถ้อยคําไม่ขาดสายไปนะเแม้ <c oughs> ว่าเราอมมันไ ม, น, มนเล็กใช่ไหมครับมันก็ยังพูดได้สแสดงทํามได้อะไรได้อย่าเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าก็ยังพูดถึงพิสูจน์สแสดงธรรมอยู่และชิ้นส ม, มองใส่เข้าไปในป่า <c oughs> นั่นนะครับถ้าว่ามไม่ทําให้คําพูดมันขาดสายขาดช่วงไปใช่ไหมถ้าก็อมไว้ได้แล้วก็ยังสแสดงธรรมต่อไปได้นะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นอะไร <c oughs> ก็เ้ากรถามอยู no earth, <m> ah> Sarah, ่เนก็แวคือตื้เขาถามอย่างเงี้ยเาถามบอกอออานี้ก่อนนะพอหน้าเสร็จแล้วนะทีหลังล้วก็บอกว่าอากาโรอาบุโซมันยังไม่ใช่เวลาคุณมีอายุถามตอนื่นได้ไหมอย่างงี้นะจำสมนุนไหมอากาโรอาวุโซอากาโรชุนเตวานีเอามาทีใสไปเลยคาที่ข้า ถ้ารู้กันนะบ้านหลังก็รู้กันไม่มีปัญหานะครับค่าจะถามไปอย่างงี้แหละแต่เา้ายังไม่ให้เราตอบตอนนั้นหรอกนะครับเขาถามไปก่อนพีแล้วก็ยังไม่ทันตองตอบนะครับเที่ยวนะทียบอยไม่ต้องไปใส่ใจในมากหรอกล้วก็ใส่ใจที่เราชันินประมาณนะครับก็ <S <S บตอนนั้นเป็นตอนฉันนะ <C <ül> <c <oughs> ต่อไปนะครับอเราจะไม่ ฉันด้วยโยนคําค่าเข้าป่าอ้วนี่ลําบากเลยนะเล่นเหมือนขนมอะเหมือนเด็กแลยนะครับโยนนะครับแต่นี่แปลกนะที่บอกว่าถ้าเป็นของเคลือดผลไม้น้อยใหญ่ได้นะครับเพรายแปลกใจได้โยนหน้าเลยใครทําไหมลูกอมโกปิโก้นะดีดเข้าปากเลยนะครับแบบเปิดซองแล้วมันต้องเปิดไง ดีให้มันทะลุทะลุซองมาเข้าปากเลยนะครับให้ทหําได้ <ผม S 1> คุณยังไม่พิสูจน์พี่แมนเขาบอกว่ า, าทั้งของเพีระผลไม้น้อยใหญ่นี่เป็นไรนะครับต่อไปเราจะไม่ฉันกัด ค, คําข้าวหรือว่ากัดครึ่งคํำนะอันนี้เอาครับโพชนะห้านะคำข้างนะครับกัดครึ่งคําหรือว่าแทะเทอรหน่อยเทอหน่อยไม่ได้นะครับนอกจากเป็นพวกขนมแข็งๆแล้วได้ไม่เป็นอะไรหรือผลไม้น้อยใหญ่นี่ได้อยู่ นี่ี่ของคนเคี้ยวก็ได้เนี่ยของคนเคี้ยวต้องจะมีได้นะครับอือนี่ครของคนเคี้ยวนนีไม่ไม่พูดถึงจจครับข้าเมนเตะแ้ครับกกาอะไรที่ว่าเราไม่สมควรกัดได้ดีกย่าเอาโคชนะห้าขามนเตที่กัดไม่ได้นะข้าวสุกขนมสดนะครับขนมแห้งปลาเนื้อือ อันนั s <S hmm. so ้นครับม yes. like ันทำมาจากข้าวอะมันทำมาจากข้าวเต็มๆมันทำเต็มไม่ได้นะครับเขาเอาเอาว่าเอาที่ได้ก่อนนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่านะที่ได้ก็คือพวกนะครับพวกผักผลไม้ไม่มีปัญหานะครับผ่านผลไม้ได้นะครับกัดไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วขนมแข็งๆนะครับขนมที่มันแข็งๆเป็นแท่งนะไม่เป็นโภรชานาบุนพวกเนี้ยก็แล้วแต่นั่นถ้ามีขนมที่แข็งๆนะครับสามารถกัดได้เหมือนกัน แล้วก็มันจะมีแป้งคุณเคี้ยวนะแป้งคุณเคี้ยวหมายควาว่าขนมที่ทํามาจากแป้งที่เข้าไปทอดรว่าไปปิ้งอย่างนี้นะครับอันนั้นก็กรา ด, ด้านหรืออะไรก็ถือว่าตัวนั้น ถ, s <S ถือว่าเป็นแป้งคุณเคี้ยวนะครับขนมปังนะครับที่เข้าไปปิ้งออกไปทอดแล้วนะคร <Yeah. S 1> ับไม่ใช่ปังเดียวนะที่มันมันทำมาจากแป้งนะครับมันจะปังไม่ปังก็แล้วแต่ไอปลาท่องโก้มันก็ไม่ปังใช่ไหมแต่มันไปทอดแล้วมันเป็นแป้งคุณเคี้ยว ไม่ใช่โผชนะนะครับอันนั้นได้นะครับแล้ขนมปังที่ไปมันจะมีขนมปังปิ้งใช่ไหบางอย่างใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็อะไรใครที่บานเขาเรียกว่าขนมปิ้งนะขนมลังพึ่งครับ mm hmm. เขาจะไปปิ้งใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจะมีเครื่องนะนะ mm hmm. ถ้าไปปิ้งไปทออะไรพวก น, น, นั้นนะครับด้านไรซาลาเปาซาลาเปมันไม่ได้เขาไปไม่ดี เมืนนิงมาทอแบบที่ขนมปังที่โยมสั่งนเข้ามาเหมือนกับต้องมีมึงก็แฮมเบอร์เกอร์อะไรน่เรจเลยไม่ได้มองแต่กันไม่ได้มันมีทั้งเนื้อด้วยมันก็ไม่ได้ผ่ากัรทอดการเช้นอะไรนะครับเบอร์เกอร์อะไรครับอ๋อครับถ้าแบกมาลำบากอะไรผมก็เลยบางทีก็เอามาเลยเหรือขนมปังพอถ้าเลือขนมปังที่เราตัดได มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ปิ้งมานขนมปังอ่ะเข้าไปอบมาเฉยๆนี่ครับ<อ>คือตา่างสาวเข้าบอกข้าวจีตวานเข้าแปลว่าเป็นเอาไปปิ้งเอาไปทอดนะครับต้องเป็นขนมปังลักษณะนั้นนะที่มีการไปปิ้งไปทอดนะครับถึงจะการัรได้นะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่กัด น, นะครับมันไปเข้าในโพลทีหน้เลยเห็ใครกัดเหมือนกันไม่เป็นไรมางทีเข้าเข้าถือไงเข้าไปตีว่าด้านี่นะครับนั่นแล้วแต่ ผมว่าผมไม่ได้ใจนักอออ๋อแฮมเบอร์เกอร์เหรอใครประกาศแฮมเบอร์เกอร์รู้สึกอันนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันมันมีมันมีเนื้ออยู่นะมีเนื้อนะครับเราไม่กล้ากันแมเรแบ่งอ่าครับก็พยมสระแฮมกได้บาแล้วนเา่กเลยเอาสายในบันเอาช้อนชๆแต่มันที่้จัดนอาหารขยะหรือมีแฮงบอกอาหารขยะ แต่อร่อยอร่อยอหรขยะก็เอาเกิดเนกนเราไปปิ้งขนมปังมาแล้ไหมอ๋อทำหายสุกเงครับไม่ได้อ๋อว่ามันสูงมาแล้วนครับไม่เป็นไรถ้ามันสูงมาแล้วเราทำให้สูงที่ไม่เป็นไรครับไปปิ้งน้าตานีนอ่้แต่ว่ามันมีมีเอแค่นั้นครับทําสุงมาก่อนแล้วไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับ เราไปทไปําให้สุกซ้ําไประทุนอะไรงนี้ไม่เป็นไรนะครับขอยมันสุกมาแล้วก็แล้วกันก น, นั่นนะครับมีปัญหาหรอกเอาออกไปเสี้ยเอาเนื้อออกไปนะครับแยกขนมปังต่างหากมันเลเอาไส้ต่างหาขนมปังต่างหากเราฉันแบบพลาดเขาฉันขนมปังไปนั่นก็จิ้มเข้าไปใส่ผงตาลที่หลังได้เหมือนกัน น, นะครับหรือนะครับเพราะว่าสีเป็นเครื่องขัดเกานะมันจะทำตาลใจต่างหากทุกอย่างไม่ได้ครับ แม่ผก็ไม่ขาดกลาวิพว่าผมเห็นใครกัดอยู่ครับเมือนก็มีมูจิกดที่โดลืมๆมาผมก็เลยัต้องดูให้ดีมึงแม้ในขนมปังนั้นจะเอาไปปิ้งถั่วเอาไปปิ้งไปทอดก็จริงนะแต่ถ้ามีไส้เป็นเนื้อเป็นโพชนาเป็นปลาทั้งนั้นอีกทีมันก็ไม่ได้ครับมันจะไปโดนเขานั่นเอ แต่ที่มาทำมาจากแบบข้าต้มมันข้าวเดียวตรงใช่ไ่างั้นไม่ได้อีกแล้วไม่ได้รับนะเราต้องแบ่งใช้ช้อนใช้มีดอะครกันต่างกนี่คือต่ย่างรูะรยากันครับผมปกนผมไม่การแตกแลยเนี่ยเพราะว่ะล่ นี่เับถ้าอยู่ในห้องเต็มที่อบคชอบพวกผูอะไรอชอบออไ ป, ไปครับอันนี้ได้นะขนมแข็งๆผลไม้นะครับพวกผักของคนเคี้ยวไม่เป็นไรวันบัญชีมึนจะทำวางสำเนีย ว, ว่าเราจะไม่ออ เ, เล่นไม่ทำกับคุ้งแก้้ตุยมัลินะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับเล่นไงกินข้าวเต็มปากอืม เก็บไว้ตรงค่าใช่ไหมเขไม่ตุยนะข้างมาได้ข้างหนึ่งก็ไม่ได้นะ น, น, นคะครับแต่อนุญาตพวกผลไม้น้อยใหญ่ะครับผลไม้น้อยใหญ่ได้นะบางทีเราใส่เป็นลู ก, ก้าไปอะไรใช่ไหมพอใส่เป็นลูกมันไปตุยที่แก้มเลยนะครับอันนั้นไม่เป็นไรนะครับทุเรียนเนี้ยนะครับเพราะมันใส่ลูกไม่ได้เขาเลยทุเรียนใหญ่ไปมันจะมีผลไม้อะไรงไเงาะเนี้ยนนะบางทีเงาะใช่ไหมครับหรืออะไรเนะี่ย เราะมาปางอะไรอย่างงี้นะมันทีมใส่เข้าไปทั้งลูกได้นะครับเพราะมันไม่หยามากทาภาษาไปตุ๋ยนะนั่นไม่เป็นไรกินผลไม้ได้นะครับเดีวก็ป็นเกลี้ยไม่ได้เราออกมาเราเข้าไปไหมไม่ได้่ยได้เพราะันเมันออกออกมาแล้วอ่ะคขับมันนี้ไม่ขาบระเคนอย่าให้หล่นเพื่อกันคร้ บ, รบถ้าเราไมา่รังเกียอะไรนะเนิงปางเลยแล้วผมนึกวาผมส ทิ้งเลยต้องออกมาก่อนแล้วก็มันกัดใหม่ยช่ไครับด้ครับได้ที่ยิงเดียวเราอกแล้วมันจะาดยังครับยังครับมันยังไม่หนุจากกายนะนอกจากมันหล่นพ่วงอย่างนี้นะเสร็จเกลียด่าครับติดน้ำลายนะหล่นลงไปในบ่ายอย่นะครับโอ้ยอันนั้นหน่า แต่ผมจะมีปัญหาในเรื่องเนี้ยจ้ะคือเมื่อหนึ่งกบสร้างความหลงคาบให้เเนี่ส่วนหารนำลายกินดองออกมาเนี้ยขึมาถึงว่าต้องขาดตะแคงเหารใต้หันกว่าไม่มีใครอยู่ใกลแล้วเราจะไปตะโกนเรืยนเองเนี้ยเหมือนกันว่าสร้างกลอบให้ลงคาบขเองผมใช้วิธีเงี้ยเหมือนเตอต้องมีอะไร แน่ถึงจะมาบ่อยๆนะต้องมีอะไรติดไว้ติดนี่ผมยังดักับให้ยืนมีเหรอก็เหมือนกับว่าต้องเลือกเองผมผมมีวิธีแก้ความด่นของผมเน่ยเวลาผมฉันไปเห็นนะครับคผมจะปูผ้าของผ้าขาปิดตรงนี้นะอาหารผมเนี่ยกับปามจะอยู่ไกลกันหน่อยแล้วผมจะมีถานรองอีกใบหนึ่งนะครับไอ้ตรงฝาอะนะมันจะอยู่ไกลกันหน่อยผมกลัวน้ํลายมันจะลงไปแหละถ้าอยู่ใกล้ๆใช่ไหมโอกาสที่มันจะลงไปเยอะเลยนะ ผมก็ให้มันถ้ามันลง ก, ก็ให้มันลงในฐานใบนี่แหละนะครับแล้วก็ฉันอ่นีครับมันที่อยู่ไกลหน่อยโอ้ที่ขาดข้อแม่กางขาวๆน่นใช่ใ่เอาฟ้าให้มันลงนื้อแทนผมจะไม่จ่อให้ใกล้นี่นะครับกลัวมันจะลงหละผมก็เลยใช้วิธีอย่างนี้ก็ให้มันลงตรงนี้พอผมก็ไมมีปัญหาครับแมตอนนี่บเคนใหม่โพี่ก่ี่้นคน่่ ถ้าแต่แก้ก็ประมาณนั้นครับไม่ยู่ไกลๆนะบไอกับแก้มติร์ดเติรข้างเดียวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ขงแต่ถ้ามันล่วงไปแล้วเราตักออกได้ได้ได้ถ้าเราเห็นว่ามันลงตรงนั้นเราตักนั้นออกได้เลยต่อปนะครับ เราจะไม่ฉันสลัดมือฉันไปสลัดมือไปอันนี้แกลเล่นนะว่าจะไปขี่นะครับแต่ว่าถ้าสลัดมือเพื่อทิ้งเศษอาหารได้ไม่มีปัญหานะครับทรอยผมขียนว่าน้ำลำบากกับเ้าะชีวิอ <c oughs> เราจะไม่ฉันทําเล็บข้าให้ล้วงนะครับฉันไปก็โห้ยล้วงทั้งจากปากทั้งจากมื อ, มองมา <c oughs> หรือว่าโปยรยใช่ไหมเกลี่ยปเลยนะครับ สมข้อเกลีย์นะเขาบอกนะครับทําเกลี่ยเล่นค่าลงไปชั้นไปก็เกลี่ยเล่นค่านะครับไม่ได้ครั บ, รบก็อย่างนะต้องสมบูรณให้ดีแต่เราไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะครับอันนี้มีการตั้งใจนะเขาจะเมื่อกี้เขาเล่นเขาไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่เราตั้งใจทิ้งเศษอาหารใช่ไหมหยิบมาทิ้งเศษอาหารแต่ไม่ค่าติดไปด้วยเนี่ยไม่ขอโทษไม่เป็นไรนะครับอนะืตอนนี้ยแถวทางเหนือเขาจะทําแบบดีมากเลยนะครับ วันอะวันทีมันเขาจะทำคุนวันอะไรน้าวัดสำคัญคัญทางศาสนาอย่านี้นะครับ mm hmm. เขาจะมีนะ่ะเตรียมสําหรับใสาผ้ า, าใช่ไหมแล้วเขาจะมีไอข้ขันใบใหญ่เ mm hmm. ขาเรียกว่าสรุงครับเป็นขันใบใหญ่ที่มีลวดลายนะแล้วก็ใส่น้านั้นให้ผ้าล้างมือครับอันน mm hmm. ั้นเลยแล้วก็จะมีผ้าเช็ดมือผืนหนึ่งนะคือผ้าขนุนเล็กๆนึ่งครับแล้ว mm hmm. เขาจะเตรียมว่ายอย่างนั้นเลยนะโอ้ดูเรียบร้อยครัทําทป็นนะครับแล้วเราไปฉันก่อน เอามือสกปรกใช่ไหมแล้วก็จุ่มไปในน้ำล้าแล้วก็เช็ดด้วยพ้าแล้ก็ฉันได้สบายก็ฉันสร็ก็มาล้างก็ได้ก็ทำดีครับโะกาสครับมันก็มีความตั้ใจหรือเป่าที่ว่าการที่ว่าเอาสมมติว่าเอากับข้าวเนี่ยใส่ไปในปากด้วยแล้วก็ของที่กินเหลือกิน เนี่ยผมเมื่อก่อนเราเคยเดียนี้มีความสเจอคือจะคายคายกระดูกเนี <S <s ่ยคนที่ถอนถอนไปรับมาแล้วก็มาใสไว้ในปากมันจะมันาโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยถือถ้าเข้าถ้าต้องว่าถ้าเข้าไปในปากแล้วนะไม่ควรียจะใสเข้าไปในบากอีกครับไม่ได้ในบากในฝาในอในฝาปากใช่ไหมครับฝาปากมันคืออะไรฝาาของคนมันไม่ใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับหน้าครับในฝาบาไเป็นไรนะครับอันนี้ครับผมได้ยินว่าเอทิดมันอยู่ที่ไหนเอติดอยู่ที่นั่นอ่ะอยู่ในฝาบาครับมันดไปด้วยอ๋อเขาไม่ขานครับนก่อนนะมันอยู่เวลาาดใช่อืมครับครับือว่าเรามาเสร็จอาหารใช่มครัมันก้างปลากระดูกหมูอะไรอย่างี้ใช่ครับแล้วเราก็ขายออกมาครับครับ แล้วค า, ายมาคือเรามือหยิบเลยใช่มเรามือหยิบไปได้ครับครับเราจะให้ขาก็แล้วกันเราจะให้ขาหลุดพุ่วจากกายก็แล้วกั น, กน <ละ S 1> แต่นราไมั่จะขาประเคนแล้วก็มาวางไว้นะครับวางไว้อีกฝั่งนึนงาาวางไว้ฝั่งครับอีกฝั่งล้วก็ฉันไปครับในฝ่นาบาทนี่มันจะมีปามีอะไรอยู่ด้วยอย่างนี้เลยครับอตรงนั้นเรายังไม่ได้ลราเคลื่อนเป็นการเซนเดนใช่ไหมเราไม่เอานะ้วใช่ไหมครับแล้วก็ฉันทเหลือไป ก็ไม่เป็นไรครับไม่นะครับในฝาบานถามว่าขาประเคนหรอยังขาเนี่ยเพรามันเอาของในปากแล้วก็มันหลุดจากเอาไปวางอเราวางไอไม่เป็นไรบาวางไม่เป็นไรนะนาาาาคผมก็มาทีผมก็ที่กลัวก็คือไอ้ข า, า, า, า, าไมไาามถามไม่ปัญหาเรากกลัวว่าไอ้ของที่อยู่อีกฝั่งนึน่ะมันจะไปปนเัาคนอยู่ตรงนั้นด้วยมันจะไปเปิดกันอะไรกันอย่างนี้นะ คือว่าตันั้นมาขา่าใบเคียใช่ไหมมาเปิดกับไอ้ตรงนี้ยังไม่ขาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เปิดกันมาแยกกันจะพอด้วไม่ีปัญหานะครับไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะามันแยกกันนะครับหรือทําใจผมทําใจงี้เนี่ยนะยังไม่สลามมันทุ่อย่าเนะจอกจ อ, จอปากอะไรก็แล้วไม่พสลามเราไม่สลามทุ่มยา <c oughs> แค่ว่าเราเอาจไม่ฉันนะแต่เราก็มันจะเปิดเพื่ออะไรก็แล้วถือว่าเรายังไม่สลาม อย่างนี้งั้นมีปัญหาฟังคำพอะไรตอเอาจะไม่ฉันแลบลิ้นครับใครฉันไอติมแล้วก็แลบลิ้นเลียของเราว่าเราไม่คยมีอติ ม, มเป็นแท่งใช่ไห ม, มนี่ไ่้อติมตักขามีปัญหาท้าอิมแท่งนี่ามาเียงั้นไม่ได้นะเสร็จเลยครับเ ข, า, ขาแลบลิ้นออกมามใช่ไม แล้วนีมันมาเรียนครับอมันมันจดะโอเดียอ้าวโอสายก็ไปเลยสายก็ไปเลยครับมาฉันแล้วิ้นไม่ได้ครับแล้วก็ฉันดังจับจับจับนี่มันก็เหมือนอะไรเหมือนหมูหรือเหมือนเด็กเล่นเหมือนกันเขาไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ยินนะไม่มีใครทําะคร นุ้ก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่มาดูนะ้ต้นบันหัต้นบันหย่ า, าจากไทรอบนี้ถึงเร่องนียากท่าก็อธิบายไม่เย่หน่อยนะครับต้นบันหยนะครับกับพระราชาโคกันจมูก <c oughs> อยู่หน้านี้นะครับนี่นะครับอยู่หน้า9 13าราจะดูตามนะสามวันถีนี่ทางครั้งนั้นพระเจ้าัญคี <c oughs> เมื่อคำฆ่ายังไม่นามาถึงย่ออ้าช่องปากไว้ท่านะครับผูโ้โรองอธิบายว่าอันพิสูนผู้ชนะหาเมื่อคำฆ่ายังไม่ถึงปาก ไม่ถึงอ้าช่องป่าไว้ค่าพ่สุวรรณใสาความไม่เอื้อเฟือเมื่อคาค่ายังนํามากไม่ถึงป่ากอ้าช่องป่ากไว้ค่าต้องบัทุกต น, นะครับ น, นี้นะไม่แกล้เผลอไม่รู้ก็เหมือนกันนะเป็นอนาบัตนะพิสุวรต่อไปนะครับครั้งนั้นพระเจ้าปักขีกําลังชันอยู่สอนนิ้วมือทั้งหมดเข้าไปในป่านะครับนี้มือทั้งหมดมายควว่านี้วใดนิ้วหนึ่งนะนะครับทั้งหมดว่า นิดนิดหนึ่งก็แล้วแต่ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับนี่แหละก็ต้องบรทุกกลกันเหมือ น, นกันนะไม่ยากนะที่สุดาแสงฟ้าไม่เอื้อเฟื้อกําลังฉันอยู่สอดนิ้วมือทั้งหมดเข้าไปในปากต้องบรทุกกลนะครับต่อไปครั้งนั้นพระเจ้าปุกคีเจรจาทั้งทั้ง ท, ง ท, ง ท, งที่ในปากยังมีคําข่านะครับยังกินข้าอยู่นะโหคำพูดเราเวลาเกินข้าอาหารใช่ไหมนะครับยิ่งเต็มปากนะ อาหารเต็มปากแล้วก็พูดเลยดูไม่จืเลยนะครับไม่น่าดูเลยนะไม่น่าดูนะครับไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยนะไม่ได้นะครับใส่ใจให้ดีลูกตากลุ่มเคี้ยวใครจะเข้ากรรมฐานใส่ใจให้ดีต้องต้องใส่ใจนะครับลูกตากลุ่เคี้ยวแต่ละคำแต่ละคำถ้าไปหมอเขียวใช่ไหมใครจะบอกใช่ไหมครับเคี้ยวให้ละเอียดเคียแล้วก็ตะหวัดออกมาเคี้ยวอีก ให้ละเอียดจะเป็นน้ําเลยแล้วก็กืนลงไปนะครับเราจะทําถึงขนาดนั้นไม่ได้นะเอาพอมากันแล้วกั น, นครับแล้วก็แต่ว่าใส่จะให้ดีนะครับาการเคี่ยวาการเคี้ยวไม่ต้องคุยกับใคร <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันอ น, นาบัตก็เหมือนกันเลยนะครับต่อไปไม่ฉันดอกคําข่าสมัยนะ่ะครั้งนั้นปเปชเฟกีฉันอาหารยนต์คําข้า อันนี้นะครับพวกของเคี้ยวได้ไปลนะของเคี้ยวได้นะครับของเคี้ยวผลไม้น้ อ, อยใหญ่นี่เป็นไรต่อไปสามัคคีนิทานคานัม บ, ชบัชบุคีฉันอาหารกัดคำฆ่านะครับัไม่ได้ฉันให้หมดคำํำกัด น, นะครับอย่างนี้ไม่ได้อันพิสูจนผู้ฉันอาหารไม่พึงฉันกัด ค, คําฆ่าพิสูด า, าอาศัยความไม่เอเื้อเฟื้อฉันอาหารกับ ค, คําฆ่าต้องบัตรทุกกด น, นะครับ คิดว่านะังข์้นแข็งแข็งใช่ไหมผลไม้น้อยใหญ่นะของเคี้ยวนี้ได้นะครับฉันกับแกงกับแกงอย่างไรถึงพวกสลัดนะครับนี่เป็นอะไรอันนี้ทำไมไม่พูดถึงอะไรนะท่านนี้ไม่พูดถึงของเคี้ยวนะครับแต่ในการขานจะพูดถึงเรื่องของคนเคี้ยวได้นะครับต่อไปนะครับสวัสดีนิทานคณะประจัวบกิจอาหารทํากับพุ้มแก้มให้ตุยนี่ไงไอ้ฟังให้ดีนะ พี่สูดรอาศัยความไม่เอื้อเฟือ้อชนอาหารทํากระพุ้มแก้มให้ตุย๋ยข้างเดียวก็ดีทั้งสองข้างก็ดีต้องมาทุกกดไม่ได้ทั้งนั้นนะจะข้างเดียสองข้างนะครับจะได้เป็นพวกผลไม้น้อยใหญ่นี้ได้นะครับต่อไปสาบะคีนิทางครา้งนั้นก็จะุบันคีชนอาหารสลัดมือและชั้นไปสัดมือไปนี่นะก็ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ยากนะสลัมือทิ้นเสร็อาหารได้ ต่อไปสามมตินิทานครั้งนักประชกิจฉันอาหารปรวยเมล็ดข้าวออัน <c oughs> <c oughs> พิสูดผู้ฉันอาหารไม่พึงฉันทําเมล็ดข้าวตกพิสูดาสายความไม่เอื้อเฟื้อฉันทําเมล็ดข้าวให้ร่วงต้องมับขกลนนะครับ <c oughs> อ่าพไดีกว่าจะรู้ดีว่ามาอยู่แถวไหนที่ร่วง <c oughs> แถวไหนบ้างร่วงผมว่ากว่าไม่ค่อเจอเท่าไหร่นะไม่ดีแถวพระนวกาข้างหลังให้เจออยู่ <c oughs> แต่พระนัการนะพระเทล่าไ้่มีนะครับไม่มีแต่ข้างหลังนี่ของใครนะมีนะครับร่วงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะแล้วก็ฉันตามปกติไม่ได้ตั้งใจที่จะมีร่ปวงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทิ้งผงนะครับทิ้งเศษอาหาร <c oughs> มันเล่นข้าวติดไปด้วยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับฉันแลมดินก็สามัคคีนทิทางครั้งนั้นพระเจ้าอรกี้ ชนะหานแลบลิ้นนะครับอันนี้ด้วยพี่สูดหายใจของไม่อืดเฟื้อชนะหารแลบลิ้นต้องบัดทุกข์นะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะฉันไอติมฉันผลไม้น้อยใหญ่ไม่ได้นะครับแลบลิ้นไม่ได้ทั้งนั้นนะครับที่ของพ่อาแมา่เขาจะมีนะเข้ามาน้ําผึ้งนะ่ะเขาน้ําผึ้งก็เป็นของควรลิ้นนะครับของควรลิ้นควรเรียนนะเข้าจะเรียนในน้ำผึ้งเนะ น, นี่ยเอามือป่าเข้าไปนะ บางมึงป่าจุ่มไปเลยใช่ไหมป่าแล้วก็อะไรยังไงนคะคร <eng al atory noise> ับเพราะเป็นของคนลิ้มนี่นใช้ดีมีพระไทยเปอนพม่พาเขานะนี่ยฉันน้ําร้อนแล้วก็ถ้าฉันน้ํำพิ่งถ้าก็หาน้ําร้อนเลยอามีน้ําร้อนไหมครับพราะม่างงครับไอเอาน้ําร้อนมาทำไมแต่ฉันน้ําเพิ่งแล้วเอาน้ําร้อนมาทําไมเน <c oughs> ี่ยชงน้ําร้อนฉันนะ เขามากเขาบอกนี่นะครับเป็นขั้นเรียเลยแล้วใบนอกใช่ใบนอยู่อกสวัสดีนิทานครั้งนั้นประชาบรคคีฉนอาหารดังจับจับพิสูจนาสายของไม่อเอื้อฟเฟือ้อฉนอาหารดังับจับต้องบัดทุกข์กดอันนี้เผลอ ไม่จงใจเผลอไม่รู้ตัวอาการมีนตรายครับวิกรา์สิอธิกรรมมกะไม่ตองอบมบัตจบนะบรรลุความอธิบานในกังขาหนึ่ทีเดียวคนระับพอไม่ยากนะตอนนี้ไม่ยากยิ่งในพระวินัยปีเดิลคิดว่าท่านจาทิ่บาลสั้ น, นะครับสั้นมากเลยนิดเดียวนะมันทเที่ยวกันนะเปลี่ยวจนะึงมนะีน้อยแ่ะมีกังขาหนละนั่งเท่าไหร่ครับ หน้าสองร้อยเจ็ดสิบเจ็นะครับหน้าสองเ็ดสบเจ็ดข้อดีสองอธิบายอนหาหตากสิกขาบทในสิกขาบทที่สิบห้านะบทว่าอนหาหเตแปลว่าคําค่ายังนํามายังไม่นํามาถึงนํามาไม่ถึงนะอธิบายว่ายังไม่ทันเข้าป่ากนะครับในสิกขาบทที่สิบหกคำว่ามือทั้งหมดคือมือทั้งสิ้นเพอธิบายน้อย สวยแล้วคือมือทั้งสิ้นเลยไม่ใช่นะครับในเนี่ยถ้าอธิบายรายละเอียดอีกนะในคาถาบีการ์ก็บอกว่าแม้นี่อะรนี้หนึ่งก็ไม่ได้เพราะนี้อะรนิดหนึ่งมันก็รวมในมือทั้งหมดแหละนะครับอย่างนี้นะไม่ได้เหมือนกันก็อธิบายแต่นี้ก็ไม่ไม่เยอะนะอธิบายแล้วนะครับอืต่อไปสิสามนะครับอธิบายสากะพระลักษมิขาบท นั่นสิครับที่17คําว่าสกกระเลย์น้านี้คือการพูดเนี่ยย่อขาดไปด้วยคําข้ามมีประมาณเท่าใดเมื่อคาําข้ามประมาณเท่านั้นมีอยู่เมื่อพิสู่พูดต้องอาบัต น, นะครับแสดงว่าถ้าเป็นลูกองเป็นอะไรนิดเดียวนะเราพูดไปแล้วคำคำพูดมันจะไม่ขาดช่วงขาดตอนนะครับ น, นั่นก็ได้อยู่นะพูดได้นะครับนี่หมายถึงว่าถ้ามีข้าวในปากแล้วก็พงคำคมพูดมันจะขาดไปนะครับ ส่วนพิ่สุใดกําลังสแสดงคำอยู่ใส่สมอเป็นต้นเข้าในปากนี่นะอย่างได้ะนลยครับสแสดงคำแล้วก็ชิ้นสมอใส่เข้าไปคงไม่ได้ใส่เข้าไปทั้งเมนนะ็ดเล่อนใหญ่เอามันเป็นชิ้นนะครับเป็นต้นนะครับเข้าไปในปากพร้อมทั้งสแสดงคำเป็นทางคําพูดจะไม่ขาดหายไปด้วยชิ้นสมอเป็นต้นเท่าใดเมื่อชิ้นสมอเป็นต้นยังมีอยู่ในปากจะพูดก็ควร พอทำให้คำพูดไม่ขาดไปนะมีได้นะครับต่อไปนะครับาที่14อธิบายเป็นดุเขปากสิขาบทในสิขาบทที่18คําคำว่าเป็นดุเข็ปากกานแปลว่าดอกคำค่ารื่ยโยนคำค่าถึงในสิขาบทนี้ก็ไม่เป็นอามบัดแกนวิสุผู้ชันของเคี้ยวแรกผลไม้น้อยใหญ่เราแต่กมือกันนะของเคี้วก็ดอกได้ อะไร וף. อะไรน่ทัวอะไรน่โกแกลใช่ไหมทัวโกแกลโยนเข้าปาของคนเคี้ยวน่ะไม่ใช่โภชนะใช่ไหมโยนโอ้โหแต่ก็ไม่น่าดูนะไม่น่าดูนะรโยนพอดีครับเราคโยงพอดีนะครับเราเราที่วัดเขาซเรามาองพวบใหม่วบ้กันเลยลงดูได้เลย บมดมเยียมาแล้วในของคนเคี้ยวยังก็แกเข้าปที่อื่นแล้วก็ได้ได้วา่าไม่ไดคนอินเดียเขาทำทุกทุ่นเขาโยนโยนใกล้ๆาเาะโยถั่วใช่ครับมจริงได้นะได้ในของเคี้วนะสี่สิบหกนะครับอันนี้ไหวนะยิ่งค่อยดูคำที่ใบเสริมหนังนะครับ อธิบายอาว่าคันดักการกาศสิกขาบทนะเอ๊ะข้างไปนี่สีก่อนนะครับอธิบายว่าเฉดกาศสิกขาบทในสิกขาบทที่19คําว่ากับพรามเฉตการแปลว่ากัดกัดคำข้าวฉันนะในสิกขาบท น, นี้ไม่เป็นอาบัติเพราะฉันแกงก็คือหมายถือว่าอิสระผ่านนะนะครพร้อมกับของเคียวและผลไม้น้อยใหญ่ ที่ปุนขนมปังเมื่อกี้นะั่นของคุณเคียวนะที่ไปปิ้งไปทอดแล้วมันได้มีเนื้อปูปลาอะไรเนื้อหมูอยอยู่ในนะั้นนะครับได้สนะี่จหนะครับอธิบายอาว่าขันดังการกะสิกขาบทในะสิกขาบทที่20คําว่าอาวัากขณะดังการักษแปลว่าฉันฆ่าทําให้แก้มตุยนะเหมือนลิงนะครับในะสิกขาบทนี้ไม่เป็นอาบาัตแกพิสูผู้ฉันผลไม้น้อยใหญ่ ของเคี้ยวก็ไม่ได้นะข้อนี้ข้าแว้งแบบผลไม้น้อยใหญ่นะครับเราต้องดูให้ดีข้อไหนที่เว้นของเคี้ยงด้วยข้อไหนที่เว้นผลไม้น้อยใหญ่ด้วยมันจะไม่เหมือนกันถ้าสี่สิบสี่สี่สิบห้านะของเคี้ยวผลไม้น้อยใหญ่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพอมาสี่สิบหกนะทําแก๊กไม่ตุยเนะี่ยเฉพาะผลไม้น้อยใหญ่ที่ได้นะครับที่เหลือก็ไม่ได้นะครับสี่สิบเจ็ดอธิบายนะครับนิทูนอาการศ ข, ขาบท ในสิขาบทที่สิบเอ็ดคำว่าหัตถานิทุนักกังแปลว่าฉันสลับมือก็ในสิขาบทนี้นะครับมีอนามบัตรเพิ่มขึ้นมาอีกคือภิกษุสลับมือทิ้งขยะไม่ต้องอาบัตนะครับงานเกศใบไม้เป็นต้นทิ้งนะครับหรือว่าติดมือใช่ไ้ยก้างปลาติดมือถ้าเราใส่ไปไหนมีไปสลับใคนะครับ มอท oh, ิ้งขยะไม่ต้องมาบ้านทำไปลัดล mo ัดไรพี่เข้ามาโอ้เสร็จเลยครับมีเรื่องอะไรนี่ถ้าบ้าก็อืนครับตาว่านะจะทิ้งเศษอาหารใช่มครับทิ้งเศษอาหารได้เป็นไรต่อไปเจ้าวานี่ก่อนแล้วก็จะดูเสริมให้อีกทีนะครับ อ่านะครับอธิบายสิทธาว่าการอากาศสกขาบทในศิกขาบทที่12คําว่าสิทธาว่าการอากาศแปลว่าทำเล ข, ข้าให้โตเรยร่านะครับฉันทำเล ข, ขาให้โตเรยร่านะผมเคยเจอในอง์ตอนที่ผมเป็นเน อ, อยู่วัดท่านนะครับแต่แกศึกเวลานะเวลาแกฉันทีโว้ยมูมามากนะครับเสร็จ่ามันจะลงเกิดนั่งรอบตัวแกนะครับโวยแบบน่ากเกียดเลย นี่เม่อใครทำมาขนาดนั้นนะครับไม่มีที่ว่าเราไม่มีไม่มีที่ว่าเราไม่มีนะครับอนั้นแกไม่ได้ใส่ใจอะไรด้วยนะแล้วก็เป็นในแบบหัวดื้อนะครับไม่ค่อยเชื่อฟังแกไม่มีศรัทธาด้วยนะเพราะฉันทีในที่ตอนที่แกนั่งอยเป็นอย่างงี้แท่คู่วันนะครับไม่ข้าวนี่เกือเลยนะไม่รู้ว่าแกรวยหรือว่าแกฉันกันเด็ไม่รู้นะครับนั่นละสนามนั้นนะครับหนักเลยไม่ได้ครับถือว่าไม่สมรวมไม่เรียบร้อยนะ สืบนาแล้วนะครับถึงในสิกขาบทนี้ก็มีอาณาบัติเพิ่มขึ้นอีกคือพิสุเก็บกาเก็บผงทิ้งนะครับแม้ค่าก็ตกไปด้วยไม่เป็นอาหาบ49ครับอธิบายชิวหานิฉารกาสิกขาบทโอ้นี่เดียวในสิกขาบทที่23าําว่าชิวหานิฉารกาแปลว่าและนิสนอ้สั้นๆเลครับ50 51 อธิบายจะปุจปุกการักะสิขาบทในสิขาบทที่24คําว่าจะปุจปุกการักกังแปลว่าทําเสียงดังอย่างนี้ว่าจะปุจปุกก็คือเสียงดังจับจับลยนะครับคำที่จับจับถึงสิขาบทที่25อะไรยังไม่ได้ว่านะที่ฉันเสียงดังอะไรซุดซุใช่ไหมซุสซุนะครับซุดุดน้ำน้ำซุ น้ำแกงครับน้ำแกงน้ำซุปนี่นะซุปข้าโพดนะซุปแรงร้อนร้่วกปางนะนครับไมด้นะครับเวียนไ้บาป่อนาบัตก็ไม่ไม่ตั้งใจนะครับเผลออะไรนะไม่มีสตินะครับเป็นแบนีเผลอสติสซุปอว่าซุปไงก็มีในนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีคำอธิบายอันนี้เขาว่า คำ ท, ที่ใบน้อยครับตรงนี้ผมขอดูเทียบให้นะครับท <c oughs> ่านจะพูดถึงนะตั้งแต่นิ้วมือส่อ น, นิ้วมือเข้าไปในปากนะถ้าบอกว่านะครับมือทั้งหมดนะพคำว่ามือทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นอ๋ออันนี้นะครับไม่มีอะไรคว่ามือทั้งหมดคือนิ้วมือทั้งหมด ก็หัตถาสัมนะในที่นี้เพิงทราบว่าใช้ในความหมายของนิ้วมือครับอันเป็นส่วนหนึ่งของมือนะั้นเพราะว่ามือทั้งหมดหมายถึงว่าอันใดอันหนึ่งที่เป็นอยู่ในมือนี่นะครับเพราะว่าสัพพาสัมนะครับจึงเป็นสัมที่สามารถคุมความได้นะถ้าไม่เช่นนั้นสัพพาสัมว่าทั้งปูนมันก็จะคุมความไม่ได้ใช่ไหมครับทั้งปูนเ็คือันไหนก็แล้วแต่นะ นิ้วเลยนะครับไม่เว้นะไม่ได้เพราะใครใครไม่สา ม, มารถจะสอดนิ้วมือสอดมือทั้งหมดเข้าไปในปากหน้าอยู่แล้วล่ามเข้ามาในทั้งห้านิ้วเลย <c oughs> <ด>ยัดเข้าปากนะครับเนี่ยครับเขาพูดถึงมือครับไม่ใช่พูดถึงนิ้วอย่างนีะเขาพูดถึงมือให้ได้นะครับไม่ได้และเป็นวลานในภาษาบาลีนะครับเขาพูดถึงมือแต่หมายถึงส่วนนะครับอีอนะ เพราะฉันมีต้นไม่ได้อาณาบัตรก็เหมือนกันนั่นแหละที่เคยเป็นใช่ไหมไม่จงใจเผลอไม่รู้นะครับอาพาห์มีอันตรายวิกลจริตต้นบัญญัติไม่ต้องอ่าบัญแลนะเนนเหมือนกันอันที่สองนี่ฉันพูดคุยจะต้องมีคำข้าวอยู่ในปากอันนี้คาอธิบายเหมือนกันนะครับที่พูดถึงชิ้นสมองนะนะตัวนี้หมายถึงอาหารทั้งหมดนะของที่ จะใส่ฉันก็ไปในป่านะนะครับมันไมชอาหารอย่างเดียวแม้แต่ชิ้นสมองเป็นยาใช่ไหมรวมหมดนะครับเป็นอาหาดูอะไรอาณาบานเหมือนข้อก่อนเลยเหมือนข้อก่อนเลยอาภาก็ยังได้อาภาได้เผลอแล้วเผลอไปนะครับไม่เป็นไรต่อไปนะครับฉันดอกความค่าก็เหมือนกันโอ้ ส, สั้นๆ น, น่าแค่เนี้นะครับ สำหรับทำข้าวมันตกี้น่ะของเคี้ยวใช่ไหมของเคี้ยวผลไม้ต่างๆได้นะครับอต่ไปครับนิดเดียวด้วยผมจะดูตอนที่มันเขาที่บ้านตั้งแต่ยำยอดผักถ้าฉันกลับําค่าเนี่ยมาแล้วไงเขาบอกว่าไม่ฉันกลับําข้าวหมายถึงปั้นคําข้าให้กลมได้ขนาดตามสิีขาวหมดก่อนแล้วฉัน นี่เราไม่ปั้นเลยเราช้อนตักใช่ไหมครับหรือพวกไม่ใช่ข้าวเหนียวนะนี่ครับเราไม่ได้ใช้มือแล้วใช้ช้อนตักไม่เป็นไรแต่พระสัพพะคีเนี่ย อ, อัดเวือยทยาสัยนียมักขี่เล่นนะครับเขาจะทึ่งทะลึง่งทะเล่นไม่ได้สมมติไม่ได้ใส่ใจอะไรนะไม่ได้นะครับฉันนะครับกัดคําข้าเหมือนพวกเด็กๆกัดคําข้าวเล่นเคยฉันกัดทำข้าวเมืตอนเป็นเด็กนะเอาข้าวเหนียวมาปั้นนะครเป็นคนีสานะ ท้าวเหนียวอ๋อข้าั่เนข้าจีนะครับถึงไม่จีก็แล้วแต่นะปั้นยาวๆใช่ไหมใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มากัดกัดแต่ข้าวเหนียวมันจะหวานใช่ไหมถ้ากัดนานๆมันจะหวานนะครับข้าวจีเกลือจีอะไรใช่ไหมข้าวเกลือเฉยเกือบมากแล้วเกลือนีเก็ยังกินแบ้อยูปั้นมา้ก็เคจีจีอะไรจออะไรอย่างเนียอ๋อครับอันใหญ่เลยใช่ไหม อุ้ยที่เป็นเทางนี้นึ้นึงครับเกิดใส่มาทั้งโดนแล้วก็จิ้มต่อจิ้มงเหลือท้ายกัครับฉันฉันในวงในการหรือเปล่าครับหรือว่าคนเดียวดวั่เป็นพวกคาาว่าโยงทั่วไปใช่ครับอืมครับอ๋อคงบางที่นะแต่ว่าหลายที่เขาไม่ทำเนี้ยเขาจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆใช่ไหม แล้วก็ฉันไปฉันไปภาษาไทยยินเขาไม่อได้หรอเออเราเาไม่ได้ใช่ไหมทยเลาไม่ได้ครับโอ้เนี่ยใส่ปลาแล้วงมีจิ้มต่อยนะโอาคนเหลีเมื่อก่อนนี่หนักกวเนี่ยนะใช้ช้อนคันเดียวกันนะครับเชื่อหใช้ช้อนคันเดียวกันนะสมัยก่อนมีแกงใช่ไหม แกงถือว่าแกงสามถ้วยน่ะเข้าใจเฉพาะช้อนกลางมันช้อนกลางจริงๆนะครับใส่ในปากอะไรใส่ในปากอะไแล้วคุณคุณก็ใส่เข้าไปในนั้นเหมือนเดิมนะแล้วคุณก็ฉันข้าวเหนียวนะครับแล้วคุณนั้นก็มาใช้ช้อนนี้ต่อใส่เข้าไปในปากเขาเขาใช้ช้อนกลางฉันกลางที่นั่ชอนกลาย้อมาแไม่ดีกว่า เวลามีงานนะมผมก็นึกถึงตอนเด็กเราไม่หลังเกียจไม่กลัวอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าสมัยนี้คงไม่ได้นะครับใครฝากใครรูดเลยเ อ, อ่าก็ไม่รู้ฝากใครฝากใครนะในวงเป็นวงครับก็อันตรายนะบางทีแกโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้นะครับวัลต์เอวัลต์บีอะไรไม่ได้ติดกันหมดนะครับอย่างงี้ยเวลวัลต์บเกี่ยวกับน้ำลายกันน้ําลายครับไม่ได้เขาใช้ระวัง ใช้แก้อะไรส่วนตัวนี่นะแล้วเอกน่ะเอกน้ำลายก็อันนีนะ้ถ้าบอกว่านะครับถ้าเป็นพวกฉันของเคี้ยวนะไม่เป็นไรนะครับไอ้มาไปไ่เนี่มันมสามารถแตะคำข้าวได้ของเคี้ยวขนมเป็นต้นสก็มีนะแต่ทำไมในพราบาลีเมื่อกี้ตกไปนะครับใส่ข้าวตกนะมันจะมีนะนะขัดใช่แกนะครับของคนเคี้ยวขนมเป็นต้นที่ว่าไปปิ้งนะ ชันผลไม้พาลาพะเลอุตตริพังเคนะครับกับข้าวประเภทยำยอดผาสนับผังนั่น ไ, ได้เลยมีอันตรายนะครับเอามีันตรางใสอันตรายมาใกล้ตัวแล้วนะใช้ไม่หมดคํานะครับกัดเล่นหน่อยดีนะรีบไปนะครับอาจจะมีเสือมาไล่กัดหรือว่าอะไรนะคนมาทำร้ายนะครับะนะแฉนะกาอันตรายนีด่ด่วนนะครับไปทำอย่างนี้นไม่เป็นไร ที่เหลือก็เหมือนกันการพุ่งใกล้ตุยนี่ก็ง่ายมีอะไรนะสามนี้ก็เอ๋อชนี่มากนะง่ายกหมือนกันจะดูเสริมเฉรหน้าจบนะครับที่เหลือก็เหมือนกันเลยื <c oughs> กลี่ยคาข้าวนะอันนี้แ ป, ปลว่าฉันโปรยมเมล็ดข้าวนะสามข้อก็คืออันกิริตรวานนะครับหมานถึงการเกลี่ยทอยมันกระจัด ก, กระจ่างนะ จ บ, าบานล้งอ่ะได้เวลาักขึ้นค่ะวุฒิขนาดวัยขนาด น, น, นี้น่าโปลาปแล้วครึ่งหนึง <c oughs> ่งโยาปาไปแล้วครึ่งเวลาวันนี้ทาดีท่องทงให้ยึครับไม่ใช่กอ I need work.